ตั้งใจฟังก่อนนวันนี้มีกิจกรรมหลายอย่างที่ต้องทําอันดําแรกวันนี้เราได้แต่งตั้งวยวยวิศกรเป็นทางการวยวิกวกรคือผู้คุ้นควายในกิจการกอ ง, อ ง, องรงก็คือผู้สรองงานกลจะว่า แต่ว่าหลายๆวัดวิทยาพจกรกลายเป็นว่าเป็นผู้จัดการวัดจัดการมกนกระทั่งตุกเจ้านี่ลืมไปว่าใครเป็นคนตั้งอันนี้มาที่วัดอื่นเข า, น <Yeah. S 1> าเนาะกลายว่าวิทยากรคือผู้ยิ่งใหญ่คือต้องเชื่อฟังถ้าจะวัดวันไหนไม่เชื่อฟังวอทยาพจกรอยู่ไม่ได้ แปลว่าเจ้าวัดไม่ดีไปช่วยกันเชิญท่านองคจ้าวัดนีการเข้าใจผิดนีย่ยว่าเราคงไม่มีเราเพราะว่าเราตั้งมาเพื่อสนองงานครูอาจารย์เพื่อแบ่งเบาภาระธุระเพราะาบางอย่างพระทำไม่ได้เช่นพฤติกรรมสัญญาดทางกฎหมายพระทําไม่ได้ตัวเซ็นสัญญาไม่ได้ ยังีเป็นตอนคือในทางคดีความพระคโลกขึ้นศาลไม่ได้จะเป็นต้งใช้ัยาพยากรเป็นตัวแทนของพวกเราเป็นหลัก mm hmm. ัยาพยากรมีเงินเดือนเงินดาววันนั้นเป็นจิตอาสาประคอบมุธนาเพืองานหนักงานไม่ไหวภาะอย่างอื่น ช่วยกันดูแลแบ่งเบาภาระต่อการมโนทนระยานที่บอกวันนี้เรา mm hmm. มีกิจกรรมหลายอย่างที่ต้องทำเลยว่องยิงคือการแสดงความ ก, กตัญญูกตาวิาทีตบันพระบรุษคือพ่อแม่ปุยอาตา ย, ยายผู้หญิผู้คน ภาะรูร่างกายที่เราได้มานี้ามาจากบรรพบุรุษตกทอดกันมาของผู้เราพู้ใงไงคือ 4, ทาสี่กันหาอันนี้ที่เราได้รับมาก็าสืบทอดกันมาโดยบรรพบุรุษโดยเชื่อสายจึงเราไม่สามารถที่จะนับได้เป็นนานแค่ไหนนั้นผู้คนแสดงความกตัญญูกรตักวทีวันดี เราจะได้ทำาวิธีเพื่อดอึกถึงประคุณของท่านเหล่านั้นในขณะที่เราเป็นลูกหลานมีการเสา็จกลับามกรอตอนอยู่กระตั้วยทีเราเช็นว่าอายุของพวกเราทุกคนแต่ละคน ก็มีอายุครไม่เหมือนกันช่วงระยะเวลาสงครา้ที่ผ่านมาคนลมหายตายจากตอนนี้วัดเราก็มีสองหมดลมหายใจทั้งสองศาลายังไม่ได้วัตธรมบุญอะไรช่วงสงกรารปิดไว้ก่อนช่วงระยะ เ, เวลาเจ็ดวันปรากฏว่า หมดลมหาใจไปร้อยกว่าร้อยหกสิบร้ยเจ็ดสิบแปลว่าวันหนึ่งปิดตกยี่สิบกว่าคนวันหนึ่งมายี่สิบชั่วโมงถ้าเราก็คือตายกันทุกชั่วโมงอันด้วยบัติเหตุอะไรอันนี้ก็หมายควาว่าพวกเราถืวอว่าโชคดี ยังเป็นผู้รอดยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้นเราก็ท่องไว้เสมอว่าความโชคดีของเรานะ่มันไม่ใช่แค่โชคดีแล้วกัไปเราต้องทำความดีเพิ่มจะได้ไม่ผ้นไม่ประมาทชีวิตของคนของมนุษย์ของสัตว์มีลักษณะอยู่สองอย่างคือหนึ่ง เป็นผู้ถูกล่าสองเป็นผู้ล่าสองคำในปกติเราใช้กับว่าสัตว์ก็จะเห็นชัดเจนว่ามันหิวขึ้นมานะมันก็เป็นผู้ลาหรือมันอาจจะถูกล่าลักษณะของคนเราก็เหมือนกันเราถูกล่า หรือเป็นผู้ถูกล่าหรือจะเป็นผู้ล่าเองผู้ถูกล่าอย่างความตายานั่นเหมือนกันเป็นอย่างหนึ่งที่มนุษย์ถูกล่าโดยความตายแล้วก็ไม่มีใครรอดพ้นจากผู้ล่าผู้ล่านี้ประสบความสำเร็จเสมอเมื่อออกล่าเมื่อไรเมื่อนั้นนะ่ะประสบความสำเร็จ จริงเราเป็นผู้ถูกล่าตั้งแต่เกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายถูกล่ามาตลอดล่าโดยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่สามาธิหลีกพลนลีกพลไปได้ดังนั้นในตัวเราเนี่มีสามเรื่องที่เราเป็นทั้งผู้ล่าเองแล้วก็เป็นผู้ถูกล่าทีนี้เราจะเลือกเอาว่าเราจะเป็นผู้ถูกล่าหรือว่าเป็นผู้ล่า เรถูก拉ก็คือถูกล่าโดยความคิดของตัวเรานั่แหละโดยคําพูดโดยการกระทำสามอย่างเนี่ยเราถูก拉อย่าณะเดียวกันถ้าเราตอกกลุ่มกันคําจะไปถูกล่าก็เป็นเพราะ拉เอง拉โดยโดยความคิดของตัวเองโดยคําพูดโดยการกระทํา แต่ยสิงที่ตามมาคือความดดร้อนมมกมีอะไรเลยก็คือไม่มีอะไรทำมันก็ทําร้ายตัวเองโดยความคิดของตัวเองโดยคําพูดตอนนี้ก็เงียบมีอะไรเกิดขึ้นโดยวาจานโดยการกระทําการแสดงออก mm hmm. ตัวชี้วัดที่เป็นสาเหตุที่เป็นต้นเหตุให้เราเป็นอย่างนี้ mm hmm. ที่มีอิทธิพลต่อ ความคิดความโกรธการกระทําของมนุษย์หนึ่งก็คือความโลภการใดหนึ่งเราถูกลามเหมือนกันคือสนองสนองความโลภความโกรธเมื่อไม่พอใจก็แสดงออกดัวแ ส, สยซึ่งกันและกันความหลงคือโมหะปิดบังเหมือนเงาสีดําความมืด ม, มองไม่เห็นตาดีๆแต่มองไม่เห็น อย่างนี้ทีนี้มันอยู่ที่พวกเราว่าเราจะเป็นผูลาจากความคิดขับพูดการตา่างของตัวเองล่าคนอื่นคือคิดเรื่องของคนอื่นนั่นคือล่าคนอื่นพูดแต่เรื่องคนอื่นนั่นคือล่าคนอื่นการกระทำํำแสดงออกกับเพื่อไปคนอื่นในขณะเดียวกันตนนัวเนี้ถ้าเราไม่สามารถที่จะหยุดโด ย, ยุดติสิ่งเรา ไ, ได้ อันนี้จะทำองค์กรรุ่ร้อนมาให้เราเั้นในทางปฏิบัติหรือว่าวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติที่ผู้จะวางหลักเกณฑ์หลักการเอาไว้พวกเราคือต้องการให้เราเข้าใจตรงนี้เข้าใจความคิดของตัวเองคําพูดองตัวเองการกระทําของตัวเองว่าในขณะนั้นนะ่ะเราไปล่าคนอื่นหรือเปล่าในขณะนั้นเราโถกล่าหรือเปล่ามากพราว่าความคิดของผูอื่นมีอิทธิพลต่อเราทําให้เราเก็บเอามาคิดเนะี่ย ก็แปลเราถูกคนอื่นล่าในขณะที่กันเราไปอฉาตาร้อนไปคิดทําร้ายทําลายคนอื่นเนี่ยเราก็กลายเป็นกุลาเขาก็จะเราเองรบสภาพก็เป็นกลางไม่มีก็เป็นกลางคืออะไรคือสติถ้าสติไม่มีมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะอยู่ในวัตจักรอันนี้คือวนไปเวียนมาคำวัตจักคือวนวนไปเวียนมาเพราะนั้นวัตจักก็คือเป็น ที่ผู้ถูกลา่าแล้วก็ผู้ล่าทำหน้าที่ตราบใดที่เราจะออกจากวัฏตนนี้ไม่ได้เราก็ยังวนอยู่อย่างนี้แหละเรือ ว, วัฏตจกักวนอยู่อะไรวัฏตะจกักวนอยู่ในเรื่องของความคิดวนอยู่ในเรื่องของพูดวนอยู่ในการการะทำอ น, นี่คือวัฏตะที่แท้จริงและก็เกิดมีทุกวันไม่ได้มีชาตินาชาตินูน่นชาติไหนชาติที่ผ่านมาไม่มีวัฏตะที่แท้จริงคืออันนี้ อะไรที่เราคิดไม่ดีอยู่ก็ยั้งเก็บเอามาคิดอยู่นี่มพูดไม่ดีก็ยังพูดอยู่เนี่ยคือวัตตะของเดิมนั่นแหละเหมือนก้าวปลาหารที่เรากาลังจะกินอยู่หรือพวกกำลังจะฉันอยู่เนี่ยมั น, นไม่มีอะไรใหม่มันก็เรื่องเก่าๆวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ปูห้อยปูปลาวนไปนั่นคือวัตตะอันเดียวนบนชีวิตของเราเหมือนกันที่เราเกิดแกเจ็บตายแล้วก็ ตายเสร็จแล้วก็มาเกิดแกจะอยู่อย่างนี้แต่เราไม่รู้จักวงจรของเขาว่าระยะเวลาของวงจรอันนี้คืออายุไขของแต่ละคนก็จะเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์มาอย่างไงมันเป็นมนุษย์แล้วจะให้ดีกว่านี้อีกไปสูงกว่านี้อีกกิจต้องทําอย่างไรหรือให้ต่ำหรือให้แ ย, ย่กว่านี้อีกว่าวงจรเป็นอย่างไรมันก็อยู่ที่ตัวเราเราเป็นตัวกลางที่จะ สมัติทำให้ไปสูงไปต่ําแปลงเป็นดําเป็นขาวได้หมดดูดีเราเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษปัจจัยภายนอกหรือไปโทษอื่นๆที่ไม่ได้เกีย่ยวข้องอะไรกับเราโทษตัวเราเนี่ยนะตัวเราก็คือตัวที่แกนหลักก็คือความคิดของตัวเราคําพูดของเราการกระทําของตัวเราเพราะฉะนั้นเบื้องต้นผู้เจ้าใช้วิธีง่ายๆ่งที่มีค่ามากที่สุดในตัวเราคือเราหายใจ เพราะนั้นอานาปาสนันิคือลมหายใจคุณดูมลมหายใจของตัวเองเป็นหลักนี่คือสิ่งที่จะทําแล้วประสบความสาเร็จแล้วก็มาคผยแผ่ที่แจงแสดงให้ผู้เราเจริญรอยตามนั่นการปฏิบัติธรรมคือการดูลมหายใจเอาหยุดทุกอย่างมีรูคําพูดดูความคิดอยู่กันกระทํามาดูลมหายใจหายใจมันไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไลลออกเราพ้นมันเป็นยังไงมันทั่วร่างมันเป็นยังไงมันสบาย เพราะอะไรเพราะว่าวันใดก็ตามถ้าไม่มีลมหายใจคือไม่หายใจเข้าไม่หายใจออกนล้นก็หมดสภาพละหมดสภาพในชีวิตนี้ชาตินี้หลังแก่นั้นจิตมันไม่ได้หมดสภาพกายมันหมดสภาพคือถ้าสี่ขั้นหาหมดสภาพแต่จิตมันไม่ได้หมดสภาพาส า, พา 5, ห, สาหสารับคนที่ไม่ฝึกไม่หัดไม่เคยทดสอบทดลองลอ ง, ลองผิดลองถูกดู ก, ก่อนมันลาบากนะ เอาแค่ความคิดตัวเองเป็นหลักสารพัดในแต่ละวันที่เราเจอกับตัวเองกับคนอื่นกับคนรอบข้างเวลาประสบพบเจอเวทนาเดกคันเวทนาคือสุขทุกข์เฉยๆอารมณ์นี้แหละถ้าเราตามไม่ทันเราไปคล้อยตามมันมันมีอิทธิพลต่อเราคือเราถูกมันล่าคือเวทนาในมันล่าล่าเราเราก็เป็นผู้ถูกล่า ไปอยู่ยากอยู่ลำบากโดนเดบอดขันอันนั้นคือตัวที่สองฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติคือไม่สามารถจะคิดได้ด้วยตัวเองไม่เสามารถระงับยับยัง้งในสิ่งเหล่านี้เราก็จะเป็นอย่างนี้สุดท้ายก็ตกปิดที่พลเรากลายเป็นบุตรุ่ล่าไปก็ปอยู่ยากอยู่ที่ว่าทุกขเวทนาแลือสุขเวทนาหรืออุเบกเวทนาเราอยู่กับอารมณ์อันไหนถ้าเรา ม, มีสติก็ไม่รู้ ก็จะไม่รู้สึกตัวคือไม่รู้ตัวนั่นแหละกว่าที่ไม่รู้ตัวนั่นคือว่ามีสตินั้นเราปฏิบัติก็เพื่อเราให้มีสติเพื่อเรารู้ตัวรู้ว่าขณะนี้คิดอะไรพูดอะไรทําอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่ารู้ตัวถ้าเรารู้ตัวอยู่ในมีใครมาล่าเราได้พอเรารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเราจึงเรียกสิ่งนี้ว่าพุทโธจิเบลเราผู รู้ทันครรู้ตัวนี้มาถึงรู้ทันผู้ตื่นคือไม่ใช่คนนอนหลับ น, นอนหลับไม่รู้เรื่องอะไรผู้เบิกบานก็ไม่ได้เป็นศัตรูมีนคนอยู่สุขภาพสบายสุขาภาวะภาวะทางกายก็สบายภาวะทางใจก็สบายเร็วสุขภาพกายสุขภาพใจมันดีสุขาภาวะคือสุขาภาพนั่นแหละเดี๋ยวนี้เรายัางแยกไม่เอา สุขาภาวะทางกายทางใจมันเป็นยังไงเช่นสุขาก็ดีทุกขาก็ดีมือนกัทุกเราก็แยกไม่ออกว่าทุกกายหรือทุกใจเพราะเราความม่มีสติเราแยกไม่ออกก็ได้แบบจะทุกสุดท้ายก็ทุ ก, ท ก, กไปสนามเดียวกันก็อยู่ไม่ได้จริงๆมันแค่เสวยอารมณ์ชั่วครั้งชั่วคราวถึงแม้จิตได้ออกจากร่างนี้ไปแล้วก็ไปเสวยไปเสวยอารมณ์ อารมณ์ขจตนะ่ยมันไปเสวยอารมณ์เพราะนั้น เ, เมื่อไหรก็ตามเราเลยสี่ตัวคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อนั้นจิตของเราอยู่สถานะที่เป็นเป็นผู้เสวยอารมณ์มนั่นเองเพราะนั้นอารมณ์มันจะมีอิทธิพลต่อผู้เร า, เราอารมณ์ก็สิ่งที่รับมารับมายินดีไม่ยินดีพอใจไม่พอใจเฉยเอันนี้ว่าอารมณ์เราก็ถูกอารมณ์นี่แหละเราก็อยู่กับอารมณ์โดยที่เราไม่รู้ว่ามันมีอิทธิพล มันจะทำเราดีขึ้นจะทำแย่ลงยังไงถ้าไม่มีสติเป็นตัวกัน้นเป็นตัวกลางเป็นตัวเบรามันจะไม่เข้าใจตัวเองเพราะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายเราก็ไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจว่าวัตถุประสงค์การเกิดแก่จับตายคืออะไรเราเกิดมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้จักความหมายไม่รู้จักวัตถุประสงค์เก็อยู่ไปเป็นมันแสดงหาอยู่ไปด้วยความโลภอยู่ไปด้วยความโกรธด้วยความหลงสุดท้ายกลายเป็น ถูกล้วก็ไม่ได้อะไรเราหายใจจากตเราเป็นพู้เล่ามั่งเรากลับกันบั่งคือดูว่าความคิดของเราตรง น, นี้คำพูดของเราตรงนี้การกระทำของเราเป็นอย่างไร mm hmm. ถ้าเราเป็นอย่างนี้ได้ mm hmm. เราจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าโอ้สาระสําคัญจริงคือจิตมันไม่ใช่กายกายอันตรายนีขนาดไหนมากขนาดไหนสม่ำเสมอนาขาดีชั่วมันเป็นแค่เรื่องกายแต่สภาวะจิต ดูสุขภาพจิตมันต้องดีไปดันวันนี้ประมาณน้องเรื่องถึงดวงจิตของบรรพบุรุษของพเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายทุ้ีพุนธุ์ทั้งหมดถ้านเหล่านั้นอาจจะยังไม่หมดไม่พ้นอาจจะหยุดติดอยู่ในภาวะที่เป็นทุกข์ค่ะด้วยการกระทําของตัวเองคือกรรมนั่นแหละกรรมเกิดจากการกรมคิดเป็นคำพูดเจรจากันการกระทําที่หลงผิดคือโมหะไม่รู้จริงจริงตามความเป็นจริงกับไปเสวย ในสิ่งเหล่านั้นไปรับสิ่งเหล่านั้นเราในฐานะที่เป็นคนสุดท้ายภายหลังบป็นลูกเป็นหลานก็พยายาม <c oughs> ที่จะแสดงความ ก, กตัญญูเกิดตะเวทีที่แม้ถ้าจะรับรู้ไม่รับรู้ก็มาเป็นไหนที่ว่าเราทําความดีประเทศจะพอจะจงความเรียนนี้ให้กับบรรพุรุษความผูเราเหล่านั้นก็ขอความดีที่ผู้เราทั้งหลายได้กระทามาเป็นในวันนี้จะเป็นภาระปัจจัยตึงแก่ บรรพบุพ ร, บรุษเหล่านั้นคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้อุปนทั้งหมดขอให้ท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ผู้เราต้องร้ายได้กระทำบำเพ็ญในวันนี้